ตอนที่หนึ่ง้อยหสี่ขายหน้าเสียแล้วเสียหวานยวนเศร้าเหิงเรียกหลี่หวานไว้อีกครั้งแต่ครั้งนี้หลี่หวานไม่แม้แต่จะหยุดฝีเท้าปรับเร่งความเร็วขึ้นไปอีกท่าทางของเธอเหมือนกำลังวิ่งหนีอย่างลนลานฮือฮือ เหวนโมเห็นภาพนี้แล้วก็ได้แต่รู้สึกขบขันสิ่งที่เขาพูดเมื่อครูไม่ผิดเลยตอนนี้หลีหวานยังไม่มีความคิดเรื่องความรักเลยแม้แต่น้อยสาเหตุหลักคือเธอยังอายุน้อยเกินไปการที่เธอสนิทสนมกับหยวนเศร้าเหิงก็แค่เห็นเขาเป็นเหมือนที่ชายคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกเชิงชู้สาวปนอยู่เลยหรือแม้แต่ความประทับใจพิเศษก็ยังไม่มีดูเหมือนว่าในบางแง่มุมโอกาสชนะของผมจะสูงกว่านะเมื่อกี้คุณจงใจชัดๆหยวินเศร้าเหิงเห็นท่าทางลำพองใจของอีกฝ่ายแล้วก็รู้สึกโมโหไม่นึกเลยว่าจะถูกเขาซ้อนแผนเข้้าให ความรู้สึกระหว่างพวกเขาสองคนควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่มาบอกให้หลีหวันรู้ตัวเร็วเกินไปแบบนี้การที่เธอรู้ตัวเร็วเกินไปในตอนนี้ไม่มีผลดีต่อเขาเลยแม้แต่น้อยบางทีหลังจากนี้หลีหวันอาจจะใช้วิธีหลบหน้าเพื่อแก้ปัญหาไปอีกนานหยวนเซ้าเหิงคิดดูแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ตามไปที่โรงอาหารปล่อยให้เสี่ยววันได้สงบสติอารมณ์ก่อนจะดีกว่าสถานการณ์ของหลีหวันในตอนนี้จําเป็นต้องสงบสติอารมณ์จริ ง, รงๆเธอรู้สึกว่าตัวเองหูฝาดไปหยวนเซ้าเหิงชอบเธอเนี่ยนะ เป็นไปได้ยังไงต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาสองคนเป็นพี่น้องกันนะเออเหมือนว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก, กันเลยนี่นาหลังจากได้ยินเรื่องนั้นหัวใจของหลีหวานก็ไม่อาจสงบลงได้เป็นเวลานานเธอเริ่มสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปัญหานี้รบกวนจิตใจเธออยู่หลายวันชาติก่อนหลีหวานก็โสดมาตลอดชีวิตไม่เคยมีประสบการณ์ความรักเลยสักครั้งเธอไม่รู้เลยว่าการที่หยวนเศร้าหึงดีต่อเธอนั้นคือความรู้สึกที่เพศตรงข้ามีให้กัน ลิวานคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่จึงตัดสินใจทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกฝนการฝังเข็มเธอฝึกฝนกับเสี้ยเหลามานานพอสมควรแล้วแต่ที่ผ่านมาเป็นการฝึกกับหุ่นจําลองเสี้ยเหลามักจะคิดถึงเรื่องการหาคนจริงมาให้ลูกศิษย์ตัวน้อยของเขาเสมอไม่นึกเลยว่าเขาจะหาได้จริงๆริงนั่นก็คือเหวินโม่การฝังเข็มลงบนหุ่นจําลองกับคนจริงๆนั้นย่อมแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของสัมผัสเมื่อหลิวานเห็นว่าเป็นเหวินโม่เธอก็ไม่กล้าลงมือจริงๆ อาจารย์ขาหัวใจเขาไม่ค่อยดีแถมเพิ่งผ่าตัดมาเมื่อปีที่แล้วด้วยอาจารย์จะให้เขามาเป็นหนูทดลองให้หนูฝึกมือถ้าเกิดฝังเข็มจนเป็นอะไรไปจะทํายังไงคะหนูรับผิดชอบไม่ไหวหรอกช่างมันเถอะค่จริงๆใช้เนื้อหมูก็คล้ายๆกันเนื้อหมูมีจุดชีพจรเหรอเสี้ยเหลาเลิกคขิวขึ้นอีกอย่างนี้เขาเต็มใจเองนะเมื่อก่อนสุขภาพไม่ดีไม่ได้หมายความว่าตอนนี้จะไม่ดีหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมากไม่ใช่เหรอ อีกอย่างการฝังเข็มคือการช่วยชีวิตไม่ใช่การพราชีวิตฉันรู้ความสามารถของเธอดีถ้าเกิดฝังจนเป็นอะไรไปจริงๆฉันจะรับผิดชอบเองเวนโม่เองก็ไม่กลัวไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกเธอก็เคยฝังเข็มให้ฉันมาแล้วไม่ใช่หรอเวนโม่ยิ้มให้เธอลงมือได้เลยคราวก่อนเป็นเพราะร่างกายคุณมีปัญหาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันหนูว่าเปลี่ยนคนอื่นดีกว่าค่ะ หลีหวานขมวดคิ้วแน่นขึ้นจ้างคนมาก็ได้นะคะผมบอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรมาเถอะเหวินโมเตือนให้เธอรีบหน่อยเพราะตอนนี้เขาเปลือยท่อนบนอยู่รู้สึกหนาวนิดหน่อยแล้วหลีหวานที่หน้าอกของเหวินโมมีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดที่ยาวมากนี่คือร่องรอยที่ทิ้งไว้จากการผ่าตัดเปิดทรงอกร่างกายท่อนบนของเขาดูซุกผอมและอ่อนแอแม้แต่ผิวพรรณก็ยังขาวซีดแบบคนป่วยที่ไม่ปกติ ความอ่อนแอของร่างกายนี้เป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าพายหลังจากกินยาสมุนไพรบำรุงมากแค่ไหนก็เกรงว่าจะบำรุงกลับมาไม่ได้เขาพร้อมจนหนังหุ้มกระดูกปกติก็กินข้าวไม่น้อยแต่ร่างกายกลับไม่ดูดซึมพูดให้ถึงที่สุดก็คือระบบการดูดซึมของม้ามและกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนักเมื่อคิดได้ดังนั้นหลี่หวานจึงถือเข็มเงินฝังลงไปที่หน้าอกของเขาโดยตรงรวมถึงที่หน้าท้องและแผ่นหลังเพื่อปรับสมดุล ม, ม, ม้ามและกระเพาะอาหาร ศา ส, สตราจารย์เซียจ้องมองอยู่ข้างๆอย่างตั้งใจเพื่อป้องกันไม่ให้เยนูคนนี้ฝังเข็มจนเกิดปัญหาขึ้นจริงๆฟีมือของหลีหวานรวดเร็วมากเซียเหลามองดูอยู่ข้างๆพางพยักหน้าไม่หยุดเขาพึงพอใจมากจริงๆลูกศิษย์ที่เขาเคยสอนมามากมายไม่มีใครเฉลียวฉลาดเหมือนเซียวหวานเลยหากวงการแพทย์แผนจีนมีลูกศิษย์แบบนี้มารับช่วงต่อก็ถือว่ามีผู้สืบทอดแล้วเหวินโม่รู้สึกได้ชัดเจนว่าในกระเพาะมีความร้อนเผานี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับ พวกเธอสองคนอยู่รุ่นเดียวกันแท้ๆคนอื่นเขาฝังเข็มให้เธอได้อย่างถูกต้องแล้วแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าจุดที่ถูกฝังลงไปเนี่ยมีไว้ทําอะไรเสียเหลารู้สึกระอาเจยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพลางสายหน้าไอคิวของเขานี่แหละคือไอคิวของนักเรียนส่วนใหญ่ส่วนนักเรียนที่ดีอย่างหลีหวานนั้นหาได้ยากยิ่งนักครับความก้าวหน้าในการเรียนของผมตามเสียหวานไม่ทันจริงๆและเธอรู้สึกอะไรบ้างไหมเสียเหลาถามรู้สึกร้อนๆในกระเพาะครับนั่นแหละถูกแล้ว นี่กำลังช่วยปรับสมดุลลำไส้และกระเพาะอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึมเธอก็เป็นลูกผู้ชายอกสามซอกทำไมถึงได้ผอมกระรองขนาดนี้ผอมยังกับลูกเจี๊ยบแน่ศา ส, สตราจารย์เสียบ่นออกมาอย่างไร้เยื่อใยต่อให้เคยผ่าตัดมาก็ไม่ควรจะเป็นขนาดนี้นี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วยังขุนไม่ขึ้นอีกเหรอเมื่อก่อนเธอก็ผอมแบบนี้เหรอผอมขนาดนี้ต่อไปจะผลิตลูกไวไหมเนี่ยแค่แคดสมกับเป็นอาจารย์จริงๆถ้าไม่พูดให้คนตกใจก็คงไม่ยอมหยุด หลีหวันแทบจะสำลักน้ำลายตัวเองอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงเริ่มโจมตีร่างกายคนอื่นแบบนี้ล่ะคะเรื่อนจะมีลูกได้หรือไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับความผอมสักหน่อยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยหลี่หวันรู้สึกจนปัญญายายหนูหลีฉันขอเตือนเธอไว้เลยนวลหน้าถ้าจะหาแฟนต้องหาคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงอย่าไปหาพวกที่ผอมแห้งเหมือนไม้พลองแบบนี้เด็ดขาดนอกจากจะดูไม่มีความปลอดภัยแล้วยังส่งผลต่อการมีลูกจริงๆนะเสี้ยเหลาเริ่มแสดงความรังเกียจแทนหลีหวันเสียก่อนแล้ว หวนโมพันรู้สึกนึกเสียใจขึ้นมาตอนแรกเขาแค่คิดอยากจะช่วยหลีหวานแต่ผลที่ได้คือ น, นอกจากจะช่วยไม่ได้แล้วยังต้องมาขายหน้าอีกเขาอยากจะรีบใส่เสื้อผ้าให้เสร็จเสียตอนนี้เลยาศาสตราจารย์เซี่ยครับมีอะไรจะพูดช่วยพูดรับหลังผมได้ไหมแบบนี้มันทําลายศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเกินไปแล้วผมผอมแบบนี้มาตั้งแต่เกิดจริงๆผมก็กินเยอะนะแต่ไม่รู้ทําไมเนื้อหนังถึงไม่ขึ้นเลยจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรได้อีกก็เพราะเธออ่อนแอเกินไปนะสิ เสี้ยเหลาปลายตามองเขาพลางสายหน้าวันๆควรจะออกกําลังกายให้ถึงที่กินอาหารเสริมกับการออกกําลังกายดูซิว่าน้ําหนักจะขึ้นหรือกล้ามเนื้อจะมาบ้างไหมถ้ายังไม่ได้ผลอีกก็ควรจะไปตรวจระบบย่อยอาหารให้ดีหรือไม่ก็พ่อแม่ที่บ้านเธอผอมแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแม่ของผมผอมแบบนี้ครับงั้นก็เป็นเพราะพันธุกรรมแล้วล่ะลหวันทอนเข็มให้เขาคืนนี้อย่าเพิ่งอาบน้ํานะครับปกติก็ควรใส่ใจเรื่องโภชนาการด้วยเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นอย่างพวกเนื้อสัตว์อะไรแบบนั้น หลิวันกล่าวต่อเราดูว่าพออายุมากขึ้นคุณจะอ้วนขึ้นบ้างไหมผอมขนาดนี้มันไม่ค่อยดีจริงๆต่อไปจะส่งผลต่อสุขภาพได้ง่ายอืมได้ฉันจะฟังเธอเหวนโม่ยิ้มออกมาเสียวันเธอวางใจได้ฉันจะขุนตัวเองให้มีเนื้อมีหนังแน่นอนอืมหลิวันตอบรับอย่างไม่ใส่ใจนักนี่ก็เพื่อตัวคุณเองนั่นแหละแข็งแรงขึ้นหน่อยก็ส่งผลดีต่อการฟื้นฟนูร่างกายของคุณด้วยหลายปีมานี้ร่างกายคุณสูญเสียไปมากเกินไปแล้ว